บทภาชณีติการนิสกิยาปาจิตตร้อยิบสีอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันให้จีวันเองแล้วกโกรธไม่พอใจชิงออกมาหรือใช้ให้ชิงออกมาต้องอ บ, บัตินิสกิยภาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจให้จีวันเองแล้วกโกรธไม่พอใจชิงออกมาหรือใช้ให้ชิงออกมาต้องอ บ, บัตินิสกิยาปาจิตตี อุปสมบัติภิกษุสําคัญว่าเป็น <S <S อนุปสัมบันิให้จีวรเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงออกมาหรือใช้ให้ชิงออกมาต้องอาบัตินิสสกียปาจิตตีทุกกฎภิกษุให้บริการอย่างอื่นแล้วโกรธไม่พอใจชิงออกมาหรือใช้ให้ชิงออกมาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุให้จีวันหรือบริการอย่างอื่นแก่อนุปสัมบันิแล้วโกรธไม่พอใจชิงออกมาหรือใช้ให้ชิงออกมาต้องอาบัติทุกกฎ อนุปสัมบันฑภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัตทุกฎอนุปสัมบันฑภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกฎอนุปสัมบันฑภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอบัตทุกฎ